อาเดี๋ยวสวดพุทธคุณธรรมคุณกันหน่อยอะเปน็นนมมือนี่ยิปิโสภาคาวาอาราหังสามมาพุทธโดวิจ า, จารณาสัมปันโนโลกาเวทุ อนุตโรปุริสธรรมสาราธิสัตว์เดวามนุสสานังพุทโดภาคาวาติสวากาโตภาคาวตะ ธรมโมสันิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโโอปะณโกปจจตังเวทิตาพวินยเฮติสุปฏิปานโนภาคาวะโตสาวกสังโก โอชุปติปันโนภคาวโตสาวกสังโกญา a าปติปันโนภคาวโตสาวกสังโกสามีเจปติปันโนภคาวโตสาวกสังโกญาติทางจัด ริบุริสายุคานิอัตถุริสะปุขาเอสาภาคาวโตสาวกสังโกอาุนายโยโยทากินายโยอันชาลิการานิโยอนุตรังปุญญัก ต่างโลกาชาติเราขอเข้ามาบรรลันาทัยกันก้มลงนะกาเยนวาจายวเจตสาวะโพเทกุกรมังภกะทังมยายาโพธโธปติการหาตุวอจิยานตาการันตะเรสังวริตุงวพุทธกาเยนวาจายวเจตสาวา ธรรมเมกุกา ม, มังปะกะตังไมยะยังธรรมโมบฏิคันหาตุวอจิยานตังการันตะเรสังวริตุงว่าธรรมเมกาเยนะวาจายาวเจตัสวาสังเกกุกา ม, มังปะกะตังไมยะยังสังโภบริกันหาตุวอจิยานตังการันตะเรสังวริตุงว่าสังเกอเดี๋ยวต่อไปอุทิศส่วนกุศล ก, กันหน่อยนะึงว่าพร้อมกันนะ สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักให้และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้ว หรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวนกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในคำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใด รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร อยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสาเร็จเธินสาธุสาธุสาธุาธอะบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมสาธยายธรรมแสดงธรมรมนะตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติขอามนาคคุณของ ร, ร, ารารัตน์ไตรคือพุทรรัตน์ธรรมรัตน์สังฆรัตนะ คุณความดีทั้งหลายในที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาจนเป็นปัจจัยแห่งการเจริญงอกงามในทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาสามารถพัฒนาประชุมในกระแสจิตใจออกจากปานาธิบาตอธินาทานกาเมสุมิชาจา์มุสาวาทปิสุนาวาจารุสวาจาสัมภปลาปะออกจากอภิชาพยาบาทมิชาทิฏฐิสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในอุปจารลสมาธิ ออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักต่อสมาธิแปดประการประชุมในปฐมฌานทุทาาททาาติยฌานตัติยฌานจตุติฌานและลุบปฌปานทั้งสี่สามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในวิปัสสนาญาณทุกระดับจนสามารถไปประชุมศีลสมาธิปัญญาในมรรคผลในทุกระดับจนเป็นปัจจัยได้อนุปาธาปรินิพานด้วยกันทุกท่านทุกประการเทนสาธุสาธุ How I p r a c t i a e